บันทึกพิเศษท้ายบทเพื่อความเข้าใจลึกลงไปเฉพาะเรื่องบันทึกที่1เรื่องปัญญาสาปัญญานั้นแท้จริงก็มีอย่างเดียวได้แก่ธรรมชาติที่เป็นความรู้เข้าใจสภาวะคืออย่างถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นแต่ก็นิยมจําแนกแยกประเภทออกไปเป็นหลายอย่างตามระดับของความรู้เข้าใจบ้าง ตามหน้าที่หรือแง่ด้านของการทำงานของปัญญาบ้างตามทางที่ปัญญานั้นเกิดขึ้นบ้างเป็นต้นปัญญาชุดหนึ่งซึ่งจำแนกตามแหล่งที่มาหรือทางเกิดของปัญญาได้แก่ปัญญาสามอย่างชุดที่แยกออกไปเป็นสุตมยปัญญาจินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาคำท้ายคือปัญญาเป็นตัวกลางร่วมกันส่วนคาข้างหน้าที่ต่างกันบอกที่มาหรือแหล่งเกิดของปัญญานั้น ว่าหนึ่งเกิดจากสุตะการสดับฟังการอ่านและเล่าเรียน 2. เกิดจากจินตะการคิดไตรตรองพิจารณาและ 3. เกิดจากภาวนาการปฏิบัติต่อจากนั้นปัญญาสามอย่างชุดนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวถึงน้อยแต่มีผู้นํามาพูดกันค่อนข้างบ่อยข้อสําคัญคือเข้าใจความหมายกันไม่ค่อยชัด จึงควรแสดงคำอธิบายที่พ่วงมากับถ้อยคำเหล่านี้สืบแต่เดิมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเริ่มด้วยการเรียงลำดับปัญญาสามนั้นตามที่พูดกันมักเรียงสุตมยปัญญาเป็นข้อแรกแต่ของเดิมในพระไตรปิฎกทั้งในพระสูตรคือในสังคีติสูตรที่คันธิกายปาติกวกัรและในพระอภิธรรมคือในญานวิพังวิพังกับปกรณ์เริ่มด้วย จินตามยปัญญาเป็นข้อแรกอย่างไรก็ตามในเนติปกรณ์ซึ่งพระเทราวาสสายพมา่าถือเป็นคำพีรหนึ่งในพระไตรปิฎกด้วยซึ่งจัดรวมไว้ในคุตักนิกายแห่งพระสุตตันตปิฎกเรียงสุตตมยปัญญาขึ้นก่อนและเรียกชื่อต่างไปเล็กน้อยเป็นสุตตมยีปัญญาจินตามีปัญญาภาวนามีปัญญาและต่อมา ในกำบีชั้นอัตตกถาดีกานิยมมากขึ้นในทางที่จะเรียกชื่อเป็นสุตตามายญาณจินตามายญาณและภาวนามายญาณในที่นี้ขอเรียงลำดับปัญญาสาตามพระไตรปิฎกชั้นเดิมไว้ก่อนพร้อมด้วยแสดงความหมายสั้นๆดังนี้ 1. จินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณา ปัญญาเกิดจากโยนิโสมนสิกาที่ตั้งขึ้นในตนเองสองสุตามายปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับเล่าเรียนปัญญาเกิดจากปรารโตโคสั 3. สาาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการปฏิบัติบำเพ็ญปัญญาเกิดจากปัญญาสองอย่างแรกนั้นแล้วหมั่นมณสิการในประดาสภาวะธรรม การที่ท่านเรียงจินตามนยปัญญาขึ้นก่อนหรือสุตตามยปัญญาขึ้นก่อนนั้นจับความได้ว่าอยู่ที่การคํานึงถึงบุคคลเป็นหลักหรือมองธรรมตามความเกี่ยวข้องของบุคคลในกรณีที่เรียงจินตามนยปัญญาเป็นข้อแรกก็คือท่านเริ่มที่บุคคลพิเศษประเภทมหาบุรุษก่อนหมายความว่าพระพุทธเจ้าและพระปัจเจ ก, กับพพุทธเจ้าผู้ค้นพบและเปิดเผยความจริงขึ้นนั้น มิได้อาศัยสุตะไม่ต้องมีปรโตโฆโะคือการฟังจากผู้อื่นแต่รู้จักคิดพิจารณาด้วยโยนิสโสมนัสิการของตนเองสามารถสืบสาวเรียงต่อไล่ตามประสบการณ์ทั้งหลายอย่างถึงทันทั่วรอบทะลุตลอดจนยังเห็นความจริงได้จากจินตามมัญะปัญญาจึงต่อเข้าภาวนามัญะปัญญาไปเลยไม่ต้องอาศัยสุตตามญปัญญา แต่เมื่อมองที่บุคคลทั่วไปท่านเริ่มด้วยสุตะมัญปัญญาเป็นข้อแรกโดยมีคำอธิบายตามลำดับว่าบุคคลเล่าเรียนสดับฟังได้สุตะได้ข้อธรรมได้ข้อมูลแล้วเกิดศรัทธาขึ้นเป็นพื้นเบื้องต้นจึงนำไปใครครวนตรวจสอบพิจารณาได้ความรู้เข้าใจในสุตตะนั้นก็เกิดเป็นสุตะมยปัญญาแล้วในขั้นต่อไป อาศัยสิ่งที่ได้เรียนสดับนั้นเป็นฐานเขาตรวจสอบช่างตรองเพ่งพินิษฐ์คบคิดลึกชัดลงไปมองเห็นเหตุผลความสำคัญเป็นไปชัดเจนเกิดเป็นจินตามยปัญญาเมื่อเขาใช้ปัญญาทั้งสองนั้นคมักเ่นมนมสิการในสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเกิดยานมีความรู้สว่างประจักษ์แจ้งความจริงเป็นมครคที่จะให้เกิดผลขึ้นก็เป็นภาวนามยปัญญา ตรงที่กล่าวว่าเมื่อเขาใช้ปัญญาทั้งสองนั้นขมัคขเมนมนสิกาในสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วเกิดญาณ น, นั้นพูดอีกสำนวนหนึ่งได้ว่าเมื่อเข้าอาศัยหรือตั้งอยู่ในปัญญาทั้งสองนั้นแล้วเจริญวิปัสสนาแล้วเกิดญาณมาจากกัมพีนเนติปกรณว่าสุตจินตามยะญาเนสุหิปติติโตวิปัสสังอารปติแปลว่า อาศัยหรือตั้งอยู่ในปัญญาทั้งสองนั้นแล้วจเจริญวิปัสนาพึงสังเกตด้วยว่าสำหรับคนทั่วไปนี้ถึงจะได้รับสุตะคือข่าวสารข้อมูลมากมายแต่คนจํานวนมากก็ได้แค่สุตะเท่านั้นหาได้ปัญญาไม่คือในข้อที่หนึ่งนั้นต้องแยกว่าคนจํานวนมากได้แค่สุตะมีเพียงบางคนที่อาศัยสุตตะนั้นแล้วสามารถทําให้เกิดสุตตะมยปัญญา น่าสังเกตว่าในคำภีวิพังแห่งอภิธรรมปีดกท่านอธิบายภาวนามยปัญญาว่าได้แก่สมาปัญสสปัญญาซึ่งแปลตามตัวอักษรว่าปัญญาของผู้ประกอบหรือปัญญาของผู้ถึงพร้อมสมาปัญะคือประกอบหรือถึงพร้อมนี้ในที่ทั่วไปใช้ได้ทั้งทางดีและทางร้ายเช่นถึงพร้อมด้วยศิษขาสาชีพ ประกอบการบรรพชาถึงพร้อมด้วยอิจฉาและโลภะประกอบการสนุกสนานเล่นหัวประกอบด้วยโสกะปริเทวะเปียด้วยกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากเป็นต้นแต่เวลาใช้โดดโดดในทางธรรมมักหมายถึงเข้าฌานสมาบัติและอัตรกถาแห่งคำพีวิพังนั้นไขความว่าสมาปั ต, ติสมังคิดะอันโตสมาปติยังประวัตตา ปัญญาภาวนามยานามะแปลว่าปัญญาของผู้ประกอบด้วยสมาบัติอันเป็นไปในสมาบัติชื่อว่าเป็นภาวนาไมทำให้รู้สึกว่าความหมายจำกัดเฉพาะมากแต่คำพี์ต่างๆเช่นปรมัตตมัญจุษาอธิบายว่าคำไขความดังกล่าวนั้นเป็นเพียงการแสดงตัวอย่างโดยสาระก็มุ่งเอาการเห็นแจ้งความจริงที่เป็นมรรคปัญญา อันเป็นไปด้วยวิปัสสนานั่นเองมีแง่ของการอธิบายที่กินความคลุมถึงฌานสมาบัติและมองได้กว้างออกไปพร้อมทั้งเข้าใจง่ายขึ้นด้วยคือจับที่คำว่าอัปปนาซึ่งหมายถึงสมาธิที่เป็นแกนของฌานทั้งหมดดังที่ในคำภีวิสุทธิมรรคท่านไขความว่าปัญญาที่สำเร็จด้วยอำนาจภาวนาอันถึงอัปปนาชื่อว่าภาวนาใหมา่คาไขความตรงนี้ ที่กล่าวถึงภาวนาโยงไปถึงข้อความข้างต้นที่ว่าขมักขเมนมณสิการในประดาสภาวะธรรมซึ่งก็คือวิปัสสนาเมื่อวิปัสสนาปัญญาเห็นแจ้งชัดถึงขีดจิตก็เป็นสมาธิถึงอัปปนาถึงฌานความประจักษ์แจ้งจดจิตสนิทแนว่วถึงกับทำให้สิ่งหมักหมมผูกรัดหุ้มพอกจิตที่เรียกว่ากิเลสถูกสลายล้างออกไปจิตพ้นจากกิเลสสิ้นเชิงหรือบางส่วนก็ตาม ความรู้แจ้งถึงขั้นทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอย่างนี้ได้คือภาวนามะยะปัญญาซึ่งเป็นมัรคยานมีความรู้ประกอบอีกหน่อยว่าในเนติปกรณ์ท่านโยงปัญญาสามนี้กับการจัดประเภทบุคคลสด้วยโดยแสดงความหมายของบุคคลสามประเภทแรกที่เป็นเวไนหรือเวไนสา 3, อันได้แก่อุคติตันยูวิปจิตัยูและเนยยะ ให้เห็นทุนเดิมก่อนจะก้าวสู่ภาวนามญปัญญาว่าคนที่มีสองอย่างทั้งสุตตะมยปัญญาและจินตามะญปัญญาเป็นอุกติตันญูผู้รู้ได้ฉับพลันเพียงแค่ฟังหัวข้อก็เข้าใจคนที่มีสุตะมยปัญญาอย่างเดียวเป็นวิปจิตันยูผู้รู้เข้าใจต่อเมื่อมีการขยายความคนที่ยังไม่มีปัญญาสองอย่างทั้งสุตตะเมญปัญญาและจินตามะญปัญญา เป็นเนยยะผู้ที่จะพึงแนะนำโดยฝึกสอนอบรมให้เข้าใจต่อไปส่วนปะทะประมะไม่เป็นเวไนเป็นอันไม่ต้องพูดถึงเมื่อรู้เข้าใจหลักต่างๆข้างต้นเป็นพื้นฐานแล้วอาจจะประมวลเป็นคำอธิบายปัญญาสามสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจได้ง่ายๆคร่าวๆทวนความก่อนว่าอาาริยะบุคคลในขั้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าเป็นนักคิดที่แท้จริง คือมีปัญญายิ่งใหญ่เหนือคนทั่วไปอย่างที่ว่าท่ามกลางสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ทั้งหลายที่คนอื่นๆพบเห็นกันมาเป็นสิบปีร้อยปีพันปีแล้วกี่รุ่นกี่ชั่วคนเขาก็อยู่กันมาก็รู้ก็ใจตามๆกันมาอยู่แค่นั้นแต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาทรงมีโยนิโสมนสิการที่จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในแง่มุมอื่นๆที่คนทั่วไปนึกไม่ถึงมองไม่เห็น สามารถคิดสืบสาวอย่างเห็นความจริงที่ลึกล้ําอยู่เบื้องหลังคิดริเริ่มใหม่ๆ ใ, ในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยคิดทําให้มีการมองใหม่เห็นใหม่ค้นพบใหม่ได้ความรู้ความเข้าใจใหม่และก้าวต่อไปในโยนิโสมนัสิการนั้นจนเข้าถึงความจริงที่ไม่มีใครอื่นยังถึงได้ปัญญาที่เกิดจากการรู้จักคิดด้วยโยนิโสมนัสิการของตนเองอย่างนี้เรียกว่าจินตามยปัญญา ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระปัเจกับพุทธเจ้าทรงมีโดยไม่ต้องอาศัยการสั่งสอนแนะนำจากผู้อื่นและก็ไม่มีคนอื่นมีปัญญารู้ที่จะมาบอกมาสอนให้ได้จึงเป็นปัญญาของบุคคลพิเศษที่คนทั่วไปไม่มีถ้าไม่มีบุคคลพิเศษที่มีจินตามายปัญญาอย่างนี้การค้นพบใหม่การแหวกวงล้อมหรือกรอบทางปัญญาออกไปก็ไม่อาจเป็นไปได้และคน ก็อยู่ก็รู้ก็คิดตามๆกันเรื่อยๆไปในเมื่อคนทั่วไปไม่มีจินตามัญปัญญาจากการใช้โยนิโสมนัสิกานเริ่มคิดด้วยตนเองจึงต้องอาศัยการสดับปรับฟังเล่าเรียนคำแนะนำสั่งสอนจากผู้อื่นเป็นจุดเริ่มนี่คือเริ่มจากการสร้างสุตตมัญปัญญาก่อนในขณะที่บุคคลพิเศษข้ามสุตตมัญปัญญานี้ไปเลยสาหรับในที่นี้ เมื่อแยกบุคคลพิเศษออกไปแล้วจึงจะกล่าวถึงปัญญาสามครบจำนวนและเรียงลำดับโดยถือเอาคนทั่วไปเป็นที่ตั้งดังนี้หนึ่งสุตะมัปัญญาปัญญาเกิดจากสุตะได้แก่ปัญญาที่คนทั่วไปจะพัฒนาขึ้นได้โดยต้องอาศัยสุตตะคือเมื่อยังคิดเองไม่เป็นหรือคิดไปไม่ถึงมองอะไรอะไรไม่ออกไม่เข้าใจ ก็ต้องมีผู้แนะนําสั่งสอนบอกให้เช่นมีท่านที่เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรอย่างพระพุทธเจ้าท่านผู้รู้ครูอาจารย์มาแนะนําชี้แจงอธิบายจึงรู้เข้าใจอย่างความจริงได้ในระดับหนึ่ง 2. จินตามายปัญญาปัญญาเกิดจากจินตะได้แก่การรู้จักคิดคือเมื่อได้ความรู้เข้าใจในสูตะ เกิดมีสุตะมัญปัญญาจากการเล่าเรียนสับฟังแล้วก็ฝึกโยนโสมนัสิกานให้มองเห็นรู้เข้าใจกว้างไกลลึกรอบทั่วตลอดแยกโยงได้ทำให้ก้าวต่อไปในการเข้าถึงความจริงและใช้ความรู้อย่างได้ผล 3. ภาวนามัญปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนาคือการปฏิบัติบาเพ็ญทำให้เป็นให้มีขึ้นได้จริง โดยลงมือทากับประสบการณ์ตรงหมายถึงปัญญาที่พัฒนาต่อจากสุตตามัญปัญญาและจินตามัปัญญาสองอย่างแรกนั้นคืออาศัยปัญญาสองอย่างแรกนั้นพัฒนาต่อไปด้วยการมนสิการหมายถึงโยนิโสมานสิการที่ตัวสภาวะจนเกิดปัญญารู้แจ้งจริงที่สำเร็จเป็นมัคให้บรรลุผลขอให้สังเกตไวเป็นข้อสำคัญประการแรกว่าภาวนามยปัญญานี้อาศัย และต่อจากสุตมะยปัญญาและจินตามยปัญญาไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไปนั่งสมาธิแล้วมาบอกว่าเข้าฌานได้ภาวนามยปัญญาอย่างนั้นไม่ใช่พึงตระหนักว่าคนทั่วไปนี้แม้แต่จินตามยปัญญาก็ยังทำให้เกิดเองไม่ได้ต้องเริ่มจากสุตมยปัญญาสุตมะยปัญญาก็ยังไม่ค่อยจะได้มีแต่ได้แค่สุตะอย่างที่พูดแล้วข้างต้น จุดสังเกตประการที่สองคือโยนิโสมนสิการเป็นตัวทํางานเรียกได้ว่าเป็นแกในการพัฒนาหรือสร้างปัญญาทั้งสามอย่างนี้ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่บุคคลพิเศษอย่างพระพุทธเจ้าที่ว่าตั้งต้นด้วยจินตามนปัญญาโดยไม่ต้องอาศัยสุตตะจากคนอื่นเรียกว่าไม่ต้องพึ่งปรโตโขสะกก็คือใช้โยนิโสมนสิการที่มีขึ้นมาเป็นของเริ่มต้นในตนเอง เป็นที่มาของปัญญาที่เกิดจากการคิดที่ทำให้คิดเป็นได้อย่างเฉพาะพิเศษส่วนคนทั่วไปแม้จะได้พึ่งสุตตะจากผู้อื่นแต่เมื่อจะก้าวต่อไปจากนั้นจะให้ปัญญาพัฒนาขึ้นไปก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการจนกระทั่งในที่สุดการเกิดของปัญญาข้อที่สามอันสูงสุดนั้นมีการทำงานของโยนิโสมนสิการเป็นสาระสาคัญเลยทีเดียวเรื่องจึงเป็นอย่างที่พูดแล้วแต่ต้นว่า ปัญญา3มอย่างในชุดสุตตมัปัญญาจินตามัปัญญาและภาวนามัยปัญญานี้ในพระไตรปิฏกกล่าวถึงน้อยนักพระสารีบุตรประมวลมาแสดงไว้เป็นการให้มองเห็นแหล่งที่เกิดที่มาของปัญญาไม่เป็นหลักที่ท่านเน้นย้ำมากเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำบ่อยมากตรัสอยู่เสมอก็คือโยนิโสมนสิการซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในการทาให้เกิดปัญญา เมื่อมีโยนิโสมนสิการแล้วปัญญาทั้งสามนั้นก็มาได้และให้สำเร็จบรรลุจุดหมายก็มาสรุปไว้ท้ายนี้อีกทีว่าคนทั้งหลายที่รับข่าวสารข้อมูลกันนั้นบางคนได้แค่สุตตะโดยไม่ได้ปัญญาเลยแม้แต่สุตตะมั ญ, ญปัญญาก็ไม่ได้บางคนรู้จักมนสิการไตรตรองพิจารณาสุตะนั้นแล้วสามารถทาสุตะมั ญ, ญปัญญาให้เกิดขึ้น บางคนได้สุตตามยปัญญาแล้วรู้จักมณสิการคิดพินิจยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาจินตามัญปัญญาให้เกิดขึ้นมาบางคนใช้สุตตามัญปัญญาและจินตามัญปัญญาที่มีที่ได้แล้วนั้นเป็นฐานพัฒนาปัญญาด้วยโยนิโสมณสิการยิ่งขึ้นไปก็อาจทำภาวนามัญปัญญาให้เกิดขึ้นได้